นี่มาดูขึ้นอวัตาหาระต่อเลยเนาะครั้งที่แล้วว่าไปได้หนึ่งคาถาซึ่งท่านยกตัวอย่างมานี่มาดูคาถาที่สองในหน้าห้าสิบสี่ที่ยกมาเป็นอุทาหรอนเป็นตัวอย่างลักษณะการวิจัยธรรมะแบบอวัตาหาระพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมื่อรากไม้ยังมั่นคงไม่เสียหาย ต้นไม้แม้จะถูกตัดแล้วก็ย่อมงอกขึ้นได้อีกฉัน้นใดเมื่อตันหานุใสยยังไม่ถูกตัดขาดทุกนี้ย่อมเกิดขึ้นบ่อยๆฉันนั้นนั่นแหละก็ต้นไม้ที่รดน้ำพรวนดินใส่ปุย๋ยงดก็งดงามอยู่ตลอดใช่ไหมผู้ที่ตันหานุใสตันหานุใสันี่ยเป็นชื่อของตันหาที่มีกำลัง ถ้าปล่อยให้ตันหามันมีกําลังเพิ่มพูนขึ้นไม่ยอมตัดขาดวัตถุทุก็จักเป็นไปได้อย่างบ่อยๆเนี่ยนะเป็นวัตถทุกไปตามบ่อยๆ อ, อันที่จริงถ้าเป็นภาสิตของชาวโลกนะเขาบอกว่าใครที่มีความเพลิดเพลินมีตันหาไม่เลิกไม่รากดูเหมือนคนมีความสุขใช่ไหมมีความดิ่นรนมีความทะเยอทะยานมีความสุขความเพลิดเพลินกับ การเข้าโมเข้าพวกเข้าสังคมทั้งหลายเนี่ยนะดูเหมือนเขามีความสุขนดูเสมือนนะแสดงว่าไม่ใช่เพราะว่าตันหานี่มันมีลักษณะอย่างหนึ่งว่าความกระหายเคยได้ยินนะตันหาเป็นลักษณะความกระหายคนที่กระหายคือคนอะไรคนพร่องคนหิวฉันคนที่มีความรู้สึกหิวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอะไรเกิดขึ้น กินมากรับมากแต่ว่าไม่อิ่มสักทีหนึ่งนะนะถามว่าบุคคลนั้นนะ่ะหน้ากรุณาสักปารใดท้องมันเกือบแตกแล้วนะมันู้กลืนอะไรเข้าไปบ้างนะถ้าเขาเจริญสมถะที่ตรงกันข้ามกับตัญหาเมื่อเขารู้สึกอิ่มเขาจะค่อยค่อยขย่อนออกค่อยค่อยขย่อนออกแต่ถ้าไม่ขย่อนออกในเดือดร้อนแน่นะเพราะอะไรเพราะว่าวัตถุนั้นนั้นเนี่ยมันของร้อนทั้งนั้นเลย วัตถุที่ตันหากลืน่นกินเบ็ดเสร็จเข้าไปกอดไปรัดไปผูกไปมัดอยู่ในวัตถุนั้นนะเป็นวัตถุที่ที่นํามาซึ่งความร้อนเปรียบเหมือนอย่างว่าตัวเราเองก็เป็นผู้มีราคาโทสะโมหะใช่ไหมไปวางจิตเพลิดเพลินในวัตถุที่มีราคะโทสะโมหะถามว่าเขาจะเดือดร้อนปางใดเนี่ยนะเหมือนอย่างว่าชายหนุ่มคนหนึ่งไปรักหญิงสาวคนหนึ่งสวยมาก แต่ว่าเป็นโรค ป, ประสาทเนี่ยนะจะเป็นยังไงอ่าเป็นบ้าชายหนุ่มรูปลอได้เมียรูปงามเนี่ยนะแต่ว่าเมียเป็นบ้าหรือว่าญิงสาวไปได้แฟนรูปลอแต่ว่าขี้เมาเนี่ยนะนะแล้วก็ดุร้ายเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นถามว่าเขาจักเดือดร้อนสักปานใดนี่ก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะตันหาที่เข้าไปเพลดิดเพลินหิ้วกระหาย โอ้นำมาซึ่งความทุกข์ไม่มีเลิกมีราอย่างว่าน ะ, ะผู้ที่ศึกษาธรรมะเนี่ยมหาพูดมันลดลงแน่เพราะว่าพระธรรมนี่มันทำให้คลายมหาพูดแต่ว่ามหาพูดใดที่ไม่นำมาซึ่งทุกข์มีไหมไม่มีหรอกนะนะไม่เชื่อก็าหาเด็กมาเลี้ยงเถอะอยู่มากๆก็าหาหาลานมาสักสองสามคนมาอยู่ล้อมหน้าล้อมหลังะนะกระจององแงดูเหอะ นันก็ป่วยบ้างน้นก็ไข้บ้างเป็นต้นเนี่ยนะยอมทั้งหลายหลายคนนะอนุโมทนาด้วยมีบุญมากอายุป่านนี้แล้วไม่ต้องไปลําบากเลี้ยงหลานที่แทงหนึ่งบอกวา่าหายไปหลายอาทิตย์นะนะกว่าจะมาใหม่ติดเลี้ยงหลานก็ว่างันโอ้โหช่วงนี้ลูกเขามีธุระเข้าหลานมาฝากเอาไว้ให้ก็เลี้ยงหลานเลี้ยงไปเลี้ยงมาไม่ฟังเลยธรรมะนะ ก็หันกลับไปเป็นเต้นแรงเต้นกาแบบหลานนั่นแหละเอออยู่กับหลานมันต้องทําเด็กทาตัวเหมือนหลานนี่มันจึงจะอยู่กับหลานได้ใช่ไหมเออแต่อยู่กับเด็กกี่ขวบนะก็จะมีความรู้เท่านั้นอะ่ะเพราะว่าคบคนเช่นไรก็จะเป็นคนเช่นนั้นเพราะฉะนั้นถ้าอยู่กับเด็กมากๆมันก็จะเป็นเด็กไปแล้วฝึกเป็นเด็กเอาไว้แล้วนะฝึกเล่นเหมือนเด็กฝึกทําอะไรเหมือนเด็กๆไว้หมดเลยนะมันก็เด็กมันขี้น้อยใจเป็นต้นเนี่ยผู้ใหญ่เอามั่งอะคันนี้ หนักๆเข้าก็กลายจะเป็นไปอย่างนั้นไปนั้นตันหาถ้าไปเพลิดเพลินติดข้องกับวัตถุดใดมากๆนะในที่สุดอย่างว่านะํามาซึ่งทุกข์ไปเพลิดเพลินวัตถุดใดไม่นํามาซึ่งทุกข์เพราะอาศัยวัตถุนั้นไม่มีรอกยังชอบมหาสุญญาตาสูตรที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนอาน น, น์เนะเราไม่พิจารณาเห็นรูปแม้รูปหนึ่งอันนะที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโศกะปริเทวะทุกขโทมานัตอุปายาต เมื่อรูปนั้นแปรไปตามที่บุคคลเข้าไปกำหนดเข้าไปติดข้องหมายความว่าถ้าเราไปติดข้องในวัตถุใดเต็มที่เลยนะกลืนกินไวเบ็ดเสร็จเนี่ยนะเหมือนกับว่ารักลูกรักหลานเราถ้าเขาหายไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเขาไม่มาเนี่ยอะไรเกิดขึ้นในประวัติอาจารย์สันชัยเวรัฐบุตรเนี่ยนะกะอักเลือดเลยพหลุกสิทธิ์หายไปตันทีห้าร้อยกะอักเลือดเนี่ยนะกลับมาอีก2องอยห้าสิบนะ ทันถ้าเข้าไปเพลิดเพลินโดยที่สุดวัตถุใดก็ตามบุคคลใดก็ตามแม้แต่เพลิดเพลินในภายในตัวนะยังเดือดร้อนเพราะว่าร่างกายของเราทั้งหลายเชื่อมมากได้ไหมว่าความดันไม่เพิ่มถึงสองร้อยนะหัวใจจะไม่มีปัญหานี่เชื่อได้ไหมกระดูกนี่มันดูมันแข็งแรงที่สุดมันจะแข็งไปอีกนานฟันนี่ยเยี่ยมเลยนะแข็งแรงมากกัดอะไรก็กรอบไปหมด จะใช้ได้นานอีกหรือเนี่ยนะแล้วก็แผ่นดินนี้เขาไว้ทําอะไรแล้วเราพร้อมที่จะล้มได้ไหมล่ะหัวของเราพร้อมที่จะไปกระแทกกับทุกขนทุกแห่งได้ไหมในโลกนี้นะก็ดูว่าถ้าเราหวังในร่างกายมากเท่าไหร่นะความทุกข์ก็จะมีมากเท่านั้นสรุปว่าสังขารธรรมทั้งหลายวางใจไม่ได้แม้แต่นิดเดียวไปวางใจเพลิดเพลินกับสิ่งใดก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นถ้าลองพลิกกลับตรงกันข้ามดูนะ ถ้าไม่เพลิดเพลินกับวัตถุใดไม่ขล้องกับวัตถุใดาถามว่าเรารู้สึกเป็นทุกข์ไหมสังเกตง่ายๆเวลาเราบนใช้ถนนบนบนถนนเนี่ยนะเห็นรถสวนทางเรามาไหมเราไปเดือดร้อนกับรถที่วิ่งตรงกัข้ามเราไหมทาไมอ่ะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราอ่ะนะเขาจะมาไหนไปไหนเขาจะไปยังไงน้ำมันมีหรือไม่มีคนป่วยคนชราคนเด็กคนหนุ่มคนสาวรถมันจะเกา่าจะใหม่ผเสร็จไม่เสร็จ ให้เราก็อยู่ของเราได้เนาะสบายไอย้ความไม่สาคัญว่าเป็นของเรานี่มันดีมากวันนี้จะไปนะคนปรปฐมกันขาไปซ้ายมือมีป่าชารถอยู่แถวนั้นนี่ถ้าแต่ละคันมันเป็นรถที่รักของเราเลยเนะเราจะเดือดร้อนขนาดไหนแต่ละคันที่นอนกองนะอั้นยังอ้วนีห็นนะเห็นนะนนะป่าชารถตรงนั้นเนะต็มไปหมดมันไม่ใช่คันของเราใช่ไหมเราเลยไม่เดือดร้อน ขันห้าทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเมื่อใดที่เรามีความสําคัญหมายว่าไม่ใช่เราจริงๆตามเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงๆสลัดออกจากสิ่งเหล่านี้ถามว่าจะเป็นสุขสัพปานใดนะวันใดที่เราไม่มีความยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเรามีความสุขมากหลายแห่งทําไมไปเที่ยวแล้วจึงสบายใจรู้ไหมทําไมเพราะระหว่างท่องเที่ยวเนี่ยวัตถุทั้งหมดนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ทำไมไปบริโภคอย่างผู้การเนี่ยนอนค้างโรงแรมคนอื่นเดือดอร้อนไหมอู้สบายมากแต่ถ้าไป น, นอนที่ร้านนารีสอร์ทยแตคืนนั้นนอนไม่หลับหรอกอนะก็ เ, เปลี่ยนแค่เนี้ยไอออิทธิพลของความสำคัญว่าเป็นเราว่าเป็นของเราเนี่ยนะเออมันยิ่งใหญ่มากเลยนะหนักมากเลยนะนะเรานั่งรถทุกวันเนี่ยใครไม่เคยผ่านโรงพยาบาลบ้างในนี ถามว่าแต่ในห้องโรงพยาบาลเหล่านั้นถ้าไม่มีคนไข้ยอยู่นะโรงพยาบาลเสียหายหมดแล้วเจ๊งหมดแล้วหมอตกงานหมดแล้วมีคนไข้ยอยู่เต็มไปหมดเลยทุกแผนกแต่เชื่อไหมทำไมเราก็ยังสบายใจอยู่นะั่นแหละเพราะว่าไม่ใช่ญาตเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อะไรคนไข้ที่อยู่ในตามที่ต่างๆไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ญาตของเราเออทำไมมันสบายใจขนาดนั้นนะนี่ถ้าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราทั้งหมดนั้นจะเดือดร้อนขนาดนี้ นะท้อกับบางคนกําลังผ่าอยู่บางคนผ่าเสร็จแล้วเนี่ยนะบางคนช่วงพักฟื้นบางคนอาการร้อแร่ร้อแร่เนี่ยนะบางคนเนี่ยถ้ายิ่งไปอยู่แผนกฉุกเฉินด้วยนะแต่ละคนญาติเรามาหมดเลยนะญาติเราเนี่ยถ้าอยู่ห้องฉุกเฉินแล้วนะถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นโอนะจะเดือดร้อนปานใดทุกทั้งหลายจากมีปานใดแต่นั่นเราไม่สําคัญทําไมเราวัตถุภายในที่เราเป็นทุกข์อยู่ทําไมเราไม่สําคัญเช่นนั้นบ้าง ในหน้าตุมหาตุกัสูตรแม้แต่สาทยายไว้บอยๆยังสบายใจเพราะจริงๆแล้วใครที่กลืนอะไรไว้เยอะๆไม่ได้อร่อยหรอกเชื่ อ, เ ห, อเหมือนคุณหมอว่าเนี่ยไปทานเด้อห้าร้อยเนี่ยกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะทานก็ไว้ให้มันเต็มเปียะเลยนะคือไม่เป็นโรคชูชกนะนะก็บุญหนักหนาแล้วเนี่ยนะโรคชูชกก็คืออาหารไม่ย่อยตายนะเคยอ่านพระเวนนอนหนะโรคของชูชกนะนะ่ะ อกสารนี่เขาพูดสเสียหายเลยบอกกินแล้วท้องแตกโอยแตงโมออกมาเป็นลูกๆเอนกัเยเกินไปนั้นเจริงก็คือกินแล้วอาหารไม่ย่อยนั่นเองซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆว่าตันหานุสัยถ้าไม่ถูกตัดจากวัตถุใดนะเราเนี่จะเดือดร้อนจะทุกข์เพราะวัตถุนั้นไม่ใช่น้อยเมื่อวานเนี่ยกุยถึงว่าถ้าที่วัดนะที่วัดพระาธาตุบางเขน มันมีสุนัขขี้เรือนเต้นไปนหมดเลยบางคนก็บอกว่านี่นะเขาก็มีความสุขอยู่ของเขานั่นเห็นไหมเนี่ยเห็นแสดงว่าเห็นด้วยมีความรู้สึกว่าเห็นด้วยกับพวกสุนัขเหล่านั้นเชื่อไหมไอความคิดอันนั้นนี่เสียหายมากเพราะพร้อมที่จะไปเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะรู้สึกเห็นด้วยกับแบบนั้นเห็นด้วยกับสิ่งนั้นเนี่ยนี่คืออะไร คือหมายความว่าเรามีอัศาทาในสิ่งนั้นนะนะมีอัศรธาที่จะเป็นแบบนั้นพอเราพูดอย่างนี้ปั๊บหัวงตัวเองไม่ไม่ไ ม, ไม่แต่จริงจรงอ่ะนั่นแหละตอนที่มีความคิดอย่างนั้นนั่นแปลว่าเห็นด้วยในสภาพเช่นนั้นก็ถือว่าไปขอส่วนแบ่งแล้วนะไปขอซื้อหุ้นก็ามาตั้งเยอะแล้วนะั่นน่ะนั่นกะ็พร้อมที่จะไปเป็นเจ้าของกิจการเหล่านั้นนะอ่ะทัานวัตตาทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่พิจารณาให้ดีเข้าไปเพลิดเพลินนะอย่างว่านะถ้าเจริญไอ กรรมสกตาไว้ให้ดีอารมณ์ใดไม่เป็นอกรรมมณิมิตอารมณ์บ้างมีไหมมองเห็นอาจารย์สันติสามารถเป็นกรรมมณิมิตได้ไหมได้จากกล่าวไปยัยถึงอย่างอื่นเห็นพระพุทธรูปยังเป็นกรรมมณิมิตเลยแต่ว่าพบไหนอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมถ้าวัตถุบางอย่างถ้าเห็นอะไรแล้วเป็นกุศลก็แสดงว่ากรรมมณิมิตที่ดีที่จะทําให้มีมหาพูดอย่างดี หรือมหาพูดที่ดีถ้าไปเห็นวัตถุใดแล้วอกุศลเกิดอนาคตต่ตอไปมหาพูดไม่ดีเพราะเบื้องหลังสิ่งที่เราคิดเรามีมหาพูดเป็นอารมณ์ไงกรรมวิญญาณเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่มหาพูดหรือที่เรียกว่ารูปเมื่อกรรมวิญญาณอย่างลงอะไรอย่างลงนามรูปก็อย่างลงถ้านามรูปอย่างลงสลายตนะก็อย่างลงสลายตนะอย่างลงทัสสะเป็นต้นก็ อย่างลองพยายามหมั่นสังวรนะว่าทุกแห่งคือประตูพบใหม่ของเราทุกอารมณ์ที่เราคิดถึงคือประตูพบใหม่ของเราสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขามีอยู่สองสัพท์ว่าสัตว์ภูตาวาสัมพเพวสีวาพวกสัมพเพวศีเนี่ยโดยไทยๆเขาแปลว่าอะไรพวกสแสวงหาที่เกิดกับพวกที่เกิดแล้วพวกที่เกิดแล้วเนี่ยอีกในหนึ่งมันเป็นชื่อของพาดหันพาหาันชื่อว่าเกิดแล้ว ปุตุชนกับพระเสขคือผู้สแสวงหาที่เกิดทั้งหมดเนี่ยนะหาที่เกิดจริงๆพูดอีกในหนึ่งนะของเราไปของเราสมมตินั่งรออะไรกันโดยประมัตนั่งรอความแก่กับความตายโดยสมารประวัตเนี่ยนะแล้วจะไปไหนกันไปหาที่เกิดอันนี้พูดแบบศาสนาปรมัตตนะเราไม่ไม่เอาเอากติกาในโลกนี้มาคิดนะคิดแบบอริยสัจ ท, ที่พระพุทธเจ้าให้เราคิดเนี่ยจะรู้ว่านั่งรอความ น, นะถ้าไม่ป่วยนะนั่งรอความป่วยจะได้ซ่อมใหม่นะสองนั่งรอให้มันแก่ก่า น, นี้อีกแล้วก็สนั่งตายรอตายเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็หาที่เกิดกันทีนี้ไอ้วิทยาที่เกิดอะไรเป็นเครื่องหมายว่าจะเกิดที่ใดก็คือพวกอารมณ์ทั้งหลายที่เราปรารบเนี่ยนะมันเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายว่าควรจะไปที่ไหนต่อไปอันถ้าไม่มนสิการเอาไว้อย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆนะ ก็ยังว่านะกิจกรรมในการขยายวะตตจะไม่มีมีจบมีสิ้นทีนี้มาพูดถึงในคาถา น, นี้นะว่าปุตชนทั้งหลายที่มีปกติเหมือนกับรดน้าพรวนดินต้นไม้ให้ให้วะตตตลอดเนี่ยนะว่าตัหานุสัยนี้เป็นอนุสัยของตันหาอะไรแต่ว่าเป็นอนุสัยของภาวะตันหาธรรมะที่เป็นปัจจัยของธรรมะนี้ชื่อว่าวิชา ไอ้ไอ้ตันหานุใสเนี่ยนะตันหานุใสเนี่ยเป็นความมีกําลังของภวะตันหาภวะตันหานี่ลักษณะเขาก็คือสแสวงหาที่เกิดเพราะว่าภาวะตันหาความยินดีในการมาพบรูปประพบและอารูปประพบของเราไม่ถึงขนาดนั้นมั้งเนาะยินดีอยู่พบเดียวนี่แหละใครจะไปพร ม, มโลกบ้างในห้องเราเนี่ยนะไม่มีนะคุณหมอไม่สนใจเลยใช่ไหม นะเนอะอ๋อเพราะว่าใจยังไม่มีเลยคือใจยังไม่ต้องการเลยไม่ได้ไปหรอกแค่อยากก็ยังไม่มีเลยเนะี่ยจำนวนอะนะก็าะการมาพบนั้นภาวะตันหาตัวนี้เป็นธรรมชาติที่นําไปสู่การมาพบแล้วถามว่าปัจจัยของไอ้ภาวะตันหาอันนี้นะที่นําไปสู่พบใหม่ของเราเนี่ยอะไรอวิชชา คือคืออธิจริงก็น่าคิดนะว่าทุกแห่งในโลกเนี่ยนะน่าไปใช่ไหมหลายหลายแห่งนะสำหรับบางคนเนี่ยนะมันมีความรู้สึกว่าน่าไปน่าเห็นอันนะัะถึงว่าเปิไม่ ไ, มไปเป็นเจ้าของไม่อะไรก็ช่างเถอะน่าไปน่าเห็นอันนี้ก่อนแล่ะใช่ไหมอันนั้นหละลักษณะของภาวะตันหาความปราถนาหรือความเพลิดเพลินในใน โดยที่สุดแม้ชีวิตในครั้งต่อๆไปวันต่อๆไปเดือนต่อไปปีต่อไปเนี่ยนะลักษณะอันนั้นก็คือลักษณะอันหนึ่งของภวะตันหาเพราะภาวะตันหาคือความยินดีให้วิบากกรรมมชรูปเป็นไปนันะอันนั้นเป็นภาวะตันหาไนงะถามว่าเมื่อเรานึกถึงอสมมตินะวันนี้จะไปไหว้พระเจดียสมมตินึกเป็นภาพไปคล้องผ้าประทับศิลสวดอิติปิโสเป็นต้นเนี่ยนะ กราบและลึกเจริญพุทธคุณถามว่ารูปประขันอันเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญกุศลนันน่นคือร่างกายเนี่ยนะที่เป็นที่ตั้งแห่งการเจริญกุศลอันนั้นคืออะไรก็คือวิบากกับกรรมชรูปน้อมไปไหมว่านั่นก็คือชาติพิทุกขาชร า, าพิทุกขามรนามพิทุ ข, ขังนั่นก็คือวัตถุแห่งโสกะปริเทวทุกโทมณอุปายาตเราน้อมแผ่ไปพิจารณาอย่างนี้ไหม ไม่น้อมไปอันนั้นแหละเป็นลักษณะของภวะตันหาเราน้อมไปคิดไม่ว่าชีวิตวันพรุ่งนี้ปรือนี้วันต่อต่อไปก็คือกองทุกนั่นแหละเนี่ยนะคือกองทุกทั้งนั้นทุกเหล่านั้นมีตันหาเป็นแดนเกิดถ้าทุกกับกองทุกเหล่านั้นไม่เป็นไปจักเป็นสุขดีเนาอันนั้นการน้อมไปพิจารณาในลักษณะนั้นที่มันตรงกันข้ามกับอวิชชามันวัตถุในอนาคตเนี่ยนะเราเอามาทําปริญญาปานใด เช้ายมเหมาเขาบอกว่าเออเนี่ยปริญญานะปริญญาอารมณ์ทั้งสามการเหมืกันทุนะอารมณ์สามการเนี่ยนะพันวัฟวิทคิดถึงพรุ่งนี้ก็กองทุกทั้งนั้นแหละเนี่ยนะขันห้าจะเป็นไปอีกแล้วเนี่ยนะปรืนนี้ก็ขันห้าจะเป็นไปอีกแล้วขันห้าเหล่านี้เป็นไปกับชราและมรณะสิบปีข้างหน้าชาติหน้ามันก็คือชาติชาลามรณะนั่นแล้เพราะฉะนั้นทําไมปฏิจจสมุปบาทตอนท้ายพระองค์ว่า ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัตอุปายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลเนี่ยมีด้วยอาการอย่างนี้ให้พิจารณาว่าข้างหน้าต่อไปก็คือชาติชรามรณะนำมาซึ่งโสกะปริเทวะทุกโทมนัตอุปายาตในที่สุดทุกกองทุกทั้งนั้นแหละที่เป็นไปจนไม่ตั้งความปรารถนาทะเยอทยานในอุปาทานขันห้าอันต่อไป ให้รู้สึกเหมือนกับว่าหันหลังกลับบ้างในความคิดนะตอนที่เราฟังธรรมแล้ส่วนใหญ่เรบอกโอ้ไม่น่าไปแต่ว่าถ้านึกลืมนึกถึงพระธรรมเมื่อไหร่ก็ไม่เลวร้ายเสมอไปหรอกโฟกัสต้อง่านั้นนั่นไม่เลวร้ายเกินกว่าที่เราทนะอ <c oughs> เดี๋ยวเย็นๆนี้เราก็แบกอุปาทานขันไปเชียงใหม่ต่อนะแบกชาติชารามรณะไปอีกแล้วเนี่ยนะโอ้ย่ายชารามรณะนี่ย่ยอยู่นั่นแนหะ ย้ายโรคไปแล้วย้ายฝีไปอีกแล้วเนี่ยนะย้ายแผลสดไปอีกแล้วเดี๋ยวเรนเป็นภาระจริงๆนะมองเห็นนะนะ<อ>สัตว์ทั้งหลายผู้มีการมามีการตามีจุตติปฏิสนธิเนี่ยนะเอ้ยมันเป็นภาระจริงๆแต่ว่าอาวิชชานี่ทําให้คิดตรงกันข้ามหมดเลยเออมันสบายนะแหมตื่นตัวนะทุกคนก็ปี้กระเป๋าเหมือนว่าจะได้ไปเที่ยวแล้วนะมีความสุขมากที่ไหนได้เอาชรามรณะไปด้วยเอาโรคไปด้วยนะ ไปหลายแห่งก็ไปโรคกําเริบหนะ้าที่ต่างๆก็กระร่องกระแร่งกลับมากันเนี่ยนะมีฝรั่งฝรั่งกลุ่มหนึ่งเขาคงภูมิใจมากที่เขาได้มาเที่ยวเมืองไทยมาเที่ยวหน้าฝนนี่แหละไปขึ้นดอยแห่งหนึ่งคนขับรถมันขับซิ่งก็เลยพามาตายที่ร้ายแห่งมันนักท่องเที่ยวนี่อาจจะไปเที่ยวหรือไปเกิดใหม่ก็ไม่แน่ทุกการเล่าว่ามีบางคนไปเที่ยวถึงต่างประเทศนะ ไ, ไปทิ้งชีวิตไว้ที่ ต่างประเทศไม่ใช่น้อยชาวต่างประเทศที่มาตายที่เมืองไทยก็ไม่ใช่น้อยเพราะอะไรเพราะเขาหอบอุปาทานขันท่าหอบชราติมรณะมาด้วยเขามีไปงานศพที่หนึ่งนะเขาบอกว่าเขาญาติของเขาเนี่ยตายไปใช่ไหมร้องให้คร่ำครวญพอเขาร้องให้คร่ำครวญว่าทําไมเนาะทําไมความตายมันมีมาตั้งเมื่อไรเมื่อไรทําไมมันต้องตายเนี่ยนะมาเรกจะคิดนะ นำ้ำโตวว่าได้ยังทําไ ม, ไมต้องตายน่ยความตายมันมีมาตั้งแต่เมื่อไรนนบอกมาตั้งแต่เกิดน่นและเพราะความเกิดแท้ๆจึงเป็นปัจจัยแห่งความตายถ้าเขาไม่เกิดเขาไม่ตายหรอกวัตถุใดที่ตายเป็นวัตถุนั้นเป็นผลพวงของความเกิดเนี่ยนะเพระเกิดแท้ๆเลยนะแต่ว่าผู้ที่จะน้อมไปคิดในลักษณะนั้นเนี่ยแทบไม่มีเลย ไม่ใช่ไม่มีเน่นะมีแต่ว่าแทบจะไม่มีเลยไอการที่ไม่น้อมไปคิดในลักษณะนั้นแหละเป็นอวิชชาอาวิชชาตัวนั้นเนี่ยทำให้เพลิดเพลินยินดีใช่ไหมยินดีในวันต่ อ, ต, อต่อไปยินดีในปีต่อไปยินดีในพพต่อไปเพลิดเพลินอย่างนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเมื่ออะไรจะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้หนาเราไม่คิดแบบพระพุทธเจ้านะสัตว์ทั้งหลายเป็นไปกับ ชาลาชาติชรามรณะถึงกระนั้นเขาก็ไม่รู้ธรรมะเป็นที่ออกจากสิ่งเหล่านี้เลยพระพุทธเจ้าท่านคิดอย่างนี้นะก่อนจะบรรลุนนะท่านคิดอยู่อย่างนี้มากเนยนะนะคิดอยู่สี่ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยทําไมไม่รู้ธรรมะเป็นที่ออกจากอันนี้เนาะแล้วธรรมะอันนี้มันเกิดจากอะไรท่านก็สาวคนคว้าวิจัยเลือกเฟ้นอยู่นั่นแหละแต่ว่าศาสตรทั้งหลายโดยปกติก็ไม่ยอมเลือกเฟ้นใช่ไหม มันก็ทั้งอวิชากับภวะตันหาก็เกิดขึ้นแท้จริงภวะตันหาย่อมมีเพราะอาวิชาเป็นตัดใ จ, จอธิบายว่าการใส่ใจในสังโยชนิยธรรมนั่นแหละเป็นเหตุของตันหาคือตันหาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอาวิชาทีนี้ตันหาลักษณะของตันหาเป็นยังไงภวะตันหานะเขาใส่ใจในสังโยชนิยธรรมธรรมะที่เกื้อกูลต่อสังโยชน์ วันวันหนึ่งนะตันหาของเราจะโคจรไปในปิยรูปสาตรูปมากเนะนะี่ยใช่ไหมแม้แต่เรามีปฏิฆานิมิตอยู่เราก็จะพยายามคิดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามนะมันว่าจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นเราคิดถึงคนไข้นะเราคิดว่างไงเดี๋ยวจากหายเดี๋ยวจากหายหวังให้ความหายเนี่ยมากหวังอยู่นั่นแหละไปเกี่ยวข้องกับสิ่งไหนที่ไม่ดีนะเราจะคิดอีกฝั่งหนึ่งมันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้น ลักษณะของตันหาโคโจรไปในสังสังโยชนิยธรรมทำที่เกื้อกูลต่อสังโยชน์ทำที่เกื้อกูลต่อตันหานั่นแหละจิตทั้งหลายเนี่ยนะเขาบอกว่าลักษณะของบุคคลผู้เป็นตันหาจริญเป็นยังไงท่องเที่ยวไปในวัตถุแห่งตันหาเนี่ยมากปรารถนาในสิ่งที่มันดีขึ้นปรารถนาในวัตถุที่ดีขึ้นนะเพราะบุคคลเหล่านี้มีการมีความคิดจัดแจง จัดแจงอะไรจัดแจงมหาพูดที่ตัวเองปรารถนาเนจัดแจงไปแล้วมหาพูดก็คือมหาพูดวันยังเข้ามานะมหาอะไรนังมหาพูดนะมหาผีมหาบริหารบริหารเสร็จบริหารแล้วเป็นยังไงมหาวิการเนี่ยนะโอ้เหมือนสมมตินะมหาร่างกายของเราเลยนะโอยมันแล้วมันหลอกสารพัดนะนะเสร็จแล้วมหาบริหารเลย บริหารอย่างเยี่ยมเลยนะถามว่ามหาพิการไหมมหาพิการก็คือเสียหายแตกทําลายตายไปอ่ะนะพิการก็เป็นภาษาบาลีแปลงออกมาถ้าเป็นบาลีที่เรียกว่าวิการก็พอพานอ่าวเวนเป็นพอพานก็เลยเรียกว่ามหาพิการในที่สุดพิการทั้งร่างเลยจะเป็นยังไงตาก็จะลืมไม่ขึ้นแล้วจะหลับก็ไม่ลงแลนะ้วนั้นเหลือกอย่างงั้นนะ่ะนะแก็อย่างนั้นแหละการหาเนี่ยมันจะใส่ใจว่าหนะ้าปรารถนาในวัตถุทั้งหลาย นั้นธรรมะสองอย่างคือตันหากับอวิชชาเป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองไอเครื่องเศร้าหมองตัวนั้นในการใส่ใจในสังโยชนียธรรมเพลิดเพลินด้วยอำนาจแห่งตันหาเกิดขึ้นอุปาทานเหล่านั้นก็ก็เกิดถ้าเพลิดเพลินในวัตถุใดๆเนี่ยนะวัตถุนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถืออุปาทานก็เกิดขึ้นนีนเราพูดธรรมะในระดับที่เรียกว่าวิเคราะห์สองฝั่งสังคตะกับอสังคตะ แม้แต่กุศลธรรมทั้งหลายโดยทั่วไปโดยมากนะกุศลธรรมของผู้ที่ไม่ได้สดับอริยสัตเป็นต้นเนี่ยนะจะเป็นกุศลธรรมที่ไม่เป็นนิยานิกรธรรมเป็นกุศลธรรมที่เป็นไปเพื่อผูกพันในกองทุกข์นะเราเรา้อยเราเนี่ยปักผ้าเราคิดว่ายังไงผ้านี้ข้าพเจ้าปักเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าผู้ทิ้งศรีระอันนี้แล้วไม่ถือเอาศรีระอันใหม่อย่างไงหรือเปล่า ือปากว่าขอให้คาดหน้าผิวงามไม่กล้าคิดนะอ้ดีแล้วดีแล้วที่ไม่กล้าคิดไหมผิวงามมันจะเดือดร้อนอะนะนอนไม่หลับเลยคนนี้คนอื่นเขามาคุยชวนคุยมากอ่ะเ น, นีการว่ า, าไงงามมากเกินไปก็เดือดร้อนอีกเัยแต่ก็ต้องน้อมไปในลักษณะนั้นคือน้อมว่ากุศลเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อวิวัตะ กุศลที่ถูกต้องเนี่ยคือกุศลที่นำออกจากวัตะกุศลเนี่ยในปฏิปทาสูตรดูความพิสูจน์ทั้งหลายเราจะแสดงมิจฉาปฏิปทาและสัมมาปฏิปทาแก่เธอทั้งหลายข้อปฏิบัติชอบกับข้อปฏิบัติผิดเนี่ยนะข้อปฏิบัติผิดเป็นไนอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งที่เป็นปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารอเนญชาพิสังขารเพราะฉะนั้น อาลาละดาบทุทธกะดาบทึงได้เนวสัญญานาะสัญญายาตนะก็ชื่อว่ามิจฉาปฏิปทาเนี่ยนะผู้ที่ได้รูปประชานอารูปประชานทั้งหลายเจริญกุศลทั้งหลายก็ชื่อว่ามิจฉาปฏิปทาเพราะใจเนี่ยมุ่งหวังเพื่อปฏิสนธิในภพใหม่ น, นะปฏิสนธิในภพใหม่ซึ่งเป็นตัจจัยแห่งชาติชารามรณะในที่สุดเนี่ยนะฉันการเจริญที่ถูกต้องนั้น่ะ มองกุศลเป็นสะเบียงมองกุศลเป็นสะพานมองกุศลเป็นตัวที่จะช่วยนําออกอันถ้าไม่ตั้งเป้าหมายเบนประเด็นแห่งกุศลอย่างนี้เอาไว้นะโดยมากก็เขาฉีดน้ําหอมมาทิศทีแล้วเขว่าไงปากคณะให้มีกายหอมเลยใช่ไหมได้ยินว่างั้นท่านอาจารย์ทีสุนี่ขอให้มีกายหอม นะก็คิดเอากันแล้วกันนะนะอยากให้มหาพูดมันมีกลิ่นหอมพูดออกมากลิ่นปากประดุดกลิ่นดอกบัวร่างกายประดุดกลิ่นแก่นจันยงเงี้นะนะถามว่าจะน้อมไปอริยสัจง่ายๆหรือเปล่าไม่ทราบนะคิดเอา